ชีวประวัติพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระปรมาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมภาคมถานประวัติท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระครูวิเวกพุทธกิจ 2404 ที่ชื่อเดิมขาโคมชื่อเดิมบ้านท่าโคมธรรมตำบลหนองคอน 1 ท่าน 2 นางสาวแบ 3 แม่ดี 4 แม่บุญ 5 พ่อผ่าอุปวันว่าเยาท่านพระอาจารย์เสา ตนใจฝ่ายศึกษาหาความรู้ณวัดใต้จังหวัดอุบลราชธานีบวชเนนพุทธศักราช 2417 ท่านพระอาจารย์เสา อายุ 15 ปีในพุทธศักราช 2417 ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรในคณะมหานิกายเมื่อบวชนี้แล้วท่านทั้ง 5 คัมภีร์พระธรรมบทพระชาดา อภิธรรมมัชฌัมมสังคหะทั้งอักษรตัวธรรมน้อยไทยใหญ่ตัวธรรมอักษรขอมก็ล้วนชำนาญการแปรรณ ถ้าจะต้องได้ไปช่วยรับใช้เสมอก็เป็น คือบาลจะซัพพายบาทรอกกายเลยทีเดียวในสมัยนั้นท่านฉันพระทหารได้มาก ถ้าคู่ภิบูรณ์ธรรมพานโชติอภัพโตวัดผู้เข้าอำเภอภิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้บรรพชาเป็น 5 ปีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ใน 2422 ได้อุปสมบทเป็น ท่านภมรจักปันษาอยู่ที่วาใต้ 10 อันษาได้เป็นยาโคเป็นครูผู้เมื่อยาโคเสาจะเสือกท่านมีความคิดอยากจะลาสิทถา แก่พันปริญตัวที่จะเป็นพ่อค้าวานิชไปทางน้ําเพราะท่านมีความชํานาญ พอขายได้เงินพอสมควรแล้วก็ แต่ร่ำลือกันว่าหลายคนที่เข้าไปตัดฟันมักมีอันเป็นไปต่างนานาบางก็ผ่าการเจ็บขยาดไม่จึงไปดูด้วยตนเองพอไปเห็น หมอจะใช้บรรทุกเสลีคาโดยที่ไม่มีอาเพศคือเรือลอยลําออกได้ทั้งแล้วพอถึงวันออก ถึงบางทีก็ลอยลำมาจอดที่ท่าใดเอง อย่างใหญ่หลวงมาสู่ท่านความคิดฟุ้งซ่านแผนการทุกอย่างจําเป็นต้องถูกสงบไว้ หลังจากปลงศพโยมมารดาท่านทรงรวบรวมจิตให้เป็นสมาธิจิตให้เป็นสมาธิธรรมสังเวชแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแด่โยมมารดาจนกระทั่งในที่สุดๆผ่อนคลายเลือนดางจางหายมลาย ออกไปสุดแรงเรือก็พุ่งแหกสายน้ําออกไปตามแรง ซึ่งห่วงพันธนาการที่ผูกรัดมาจิตใจท่านมาเป็นเวลา แจกทานเหล่านั้นเป็นเวลาหลายวันจึงหมดโดยท่าน เทวัทมีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อมรรคผลนิพพานยาคุเถรจึงได้ ที่ไม่ถูกต้องตรงตามพระพุทธวินัยบัญญัติเลิกเถินทางดําเนินให้ศีลด่างพร้อยให้ห่างเครื้องสังสมกิเลสให้ปกคูล ได้สัญญาให้เต็มรอบบริบูรณ์นี่คือแนวทางของปฏิบัติตามนั้นแล ท่านหนูที่ตับปัญโยคุณปัญญาภิสารหนูทิตปัญโญปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบยังอยู่วัยยติกรรมพุทธจรรยา 2432 ท่านไปฟัง แล้วเกิดความเลื่อมใสจึงขอมอบตัวเป็นศิษย์ท่านก็ยอมรับแต่ว่าไม่ได้ โดยประกอบพิธีทำลหิกรรมหรือยติกรรมโดยมีพระกูทาในขณะธรรมยุตนักอุโบสถวัดตรีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามโดยมีพระกุฑาโชติปาโลเป็นพระอุปชาเจ้าอธิการสีทาชยเสโน ท่านพระอาจารย์เต๋าพร้อมหมู่คณะได้ประกอบพิธียัตติกรรมไม่ลนละไม่เห็นจะนอนไม่เห็นจะปากกระทองไม่เห็นจะลาบสักการะและ แต่ท่านมิได้เหินห่างจากความเพียรแม้แต่ไปบิณฑบาตปัดกวาดกวาดลานวัดขัด ก็ได้รับความสงบสุขโดยฉมังเสมอมาท่านเป็นผู้สันโดษเมื่อท่าน แต่พอทราบข่าวพระชุโดงจารมาพอทราบข่าวก็จะเที่ยวมากราบๆทั้งสิ้นซึ่ง สติภาวปฏิปทาวัตรปฏิบัติของบูรพาจารย์จากนิข่าตก 2435 ในสมัยก่อนนั้นสมัยก่อนนั้นวัดใต้เป็น ไปประกอบความเพียรตามป่าตามสวนที่สงบเงียบ 2435 เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำวันอังคาร พร้อมด้วยท้าวสิทธิสารเศเทียรเมืองจันได้ 87 สภาพ 303 ตั้ง 26 มีนาคมพุทธศักราช 2439 ในรัชกาล 5 อุโบสถ 8 เมตรยาว 12 เมตรก่อ ควบคุมการก่อสร้างโดยพระอาจารย์เสากตปิโล 74 ปีวัดบุรพารามเมื่อวัดเลียบมีศิษย์เพื่อน จากวัดเรียบเป็นวัดเก่าแก่มาก่อนรกรางมานานหลายปีมีบดเก่าค่ําคลางหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับวัดเรียบท่านนิยมไปกราบพระประธานทำ จิตใจของเราก็สงบเป็นการป้องกันจิตชยเสโนพระกรรมวาจาจารย์ของ ท่านเห็นบริเวณนั้นเป็นปราที่เงียบสัยงัดดีหม่อย Lock อย่างยิ่งจำหรับบรัมเพลี่ยนเปล่าปกรบกับโบ gradually เปล่าปกรบลีศภาพสุดโสมท่านอย่างเกิดสัสทธาทุกวันก็ได้เรียกสิยดวัตรที่ตามออกไปวันหนึ่งเพร้อมทำความสะอ กลมหลวงท่าปทิติประสงค์เจ้าเมืองผู้บริรษัชธานีในสมัยนั้นได้ขี่ช้างออกตรวจ ถ้าไม่มีใครสร้างให้ก็จะไม่อยู่พระ 2434 ถึง 2435 ท่านพระ ราว 2 กิโลเมตรที่นี่เป็นป่าร่มรมติดกับลําห้วยยางที่ไหลมาลงได้มอบตัวเป็นศิษย์ แลฝึกอุปถากท่าน 2440 พุทธศักราช 2436 ยั้งจาก 14 บรรสาได้ดำผู้มีชื่อว่าเองจากบ้านคำบงผู้มีชื่อว่าใหม่แก่นหรือ ก่อนเป็นพระอุปชาพระครูสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจัง 12 มิถุนายนพุทธศักราช 2435 พระอุปชาให้ฉายานามว่าภูริทัตโตหลังจากอุปสมบท เข้าปฏิบัติทําไมได้เกิดความฟุ้งซ่านจิตไม่สงบ บุญบารมีของท่านพระอาจารย์มั่นวาหากอนุญาตให้กลับไปโดยลําพังนั้นอาจเกิดผล ให้ญาติโยมช่วยนําทางไปยังที่สัปปายะบ้านปูหล่นปราพี 2440 ชาวบ้านคําบงได้ติดตามมาส่งท่านทั้ง ไม่ถึงกับลําบากที่โกจารย์มินทบาสก็อยู่ไม่ไกลอบรมสมาธิภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นชอบอากาศบริเวณหลังเขาภูรนท่านนั่ง อย่างที่ไม่เคยประสบความสุขสงบอันลึกล้ําเช่นครั้งนี้ กำลังและได้รับผลคือที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิและได้รับผลคือเกิดปิติความเย็นอกเย็นใจ ตอนกลางคืนหินมันไล่กัดกันขึ้นมาที่บัวหลามพูลลนกัดกันเอาเป็นเอาตาย มีประตูเข้าออกปิดเปิดได้เอาดินโคลนผสมกับเศษหินเล็กๆและทรายข้าวฉาบ มาจดถึงทุกวันนี้จันทบุรีทุกวันนี้ทุรดงไปหลวงพระบางหลังจากปฏิบัติทําความ ขอสุขผลเล่าเรียนกรรมฐานกับอาจารย์เก่งๆทั้งหลายที่ได้ อยู่ที่ถ่ำแห่งหนึ่งโดยกับบ้านทรัมได้รับความสงบสุขทางใจมากพอสมควรในฟ่าดงดิฟแถวผุข่านั้นเช่นงูช้างเสือมีที่ชุกชุมพอพอกับไข้ป่าที่ท่านได้รับเชื้อมาเล่นๆจนง่อมเย็มเชียนไปเชียนอยู่ เป็นคือถ้าพระอาจารย์ 2444 สมัย 1 ถ้าพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มันและ คือฝั่งประเทศไทยขึ้นฝั่งที่ท่าน้ําหน้าวัดพระธาตุพนมและ คือมีแสงสีเขียวแสงสีเขียวทรงกลมดั่งลูกมะพร้าวเปล่งรัศมีพุ่งออก หลาพระธาตุพนมถึง 3 เดือนเสร็จๆจึงเริ่มเตรียมจากนั้นองค์ท่าน อารธนาพระครูรอดนานปรปทุมสีเมืองจังหวัดอุบลแต่เมื่อดำรงธรรมนาศักดิ์เป็นพระครูอุดรศิลปกรรม การก่อสร้างเจดสัตว์ทั้งไม้ญี่ปุ่นเป็นนักประกอบครองชั้นดีทั้งเป็นนักปฏิบัติมีจิตญาณุภาพและ ในปลาย 2445 ท่านพระอาจารย์เต๋ากันตาสีโลกหนูได้พาการออกขาวิเวกนครพนมปักกลดพักเมืองนครพนม ได้มีประชาชนตามนับเป็นพระธรรมยุตชุดแรกที่เดินทางมาจังหวัดนครพนมมีหรือเหลืองภูมิรัฐข้าหลวงประจำบริเวณ รับทราบได้ว่ามีศรัทธาก็สาธะต้องการ ขออนุโมทนาสาธุการแต่ไม่สามารถอยู่ตามที่อรถนานิมนต์ได้ขอให้ญาติโยม แล้วจึงจะจงกลับมาเป็นผู้นําสร้างวัดสร้างความเจริญในพระคือพระอาจารย์เกมิโย เป็นสัมมเณรจิตตปัจจันเทรีโยมาจากคะอุเทนแล้วนำพิสุทธิสัมมเณรทั้ง 5 รูปไปมอบถวายตัวเป็นจิตท่านพระอาจารย์เสากตปฐิโลและพระปัญญาภิสาร พระเทพสุทธาจารย์หรือเจ้าคุณปู่ยาคะธรรมเจดีพระอาจารย์เสมิโยคือพระเทพสุทธาจารย์ใน ส่วนสมณินทร์จุมจันวงคือพระธรรมเจดีจุมพันธุโลแห่งวัดโพธิสมพรอุดรธานีท่านคือคุณองค์นี้ท่านเป็นพระอุปัชฌายาจารย์ที่ เสด็จดำรงบังเอิญที่แสลำเคนก็ได้เตรียนตัวเข้าเกฎอำนาจเจริญใช้เวลาร่วมเดือนจึงลุกถึง ซึ่งทุกรูปมีความชํานาญการเตรียมธรรมธรหิกรรมยัตติเป็นพระภิกษุ 2446 โดยมีพระสังฆะสักกิโตพูนวัดหนูครั้งยัง อยู่ว่าใต้เป็นประจักษ์อุบลคุณหรือยานัสสโยสิริวสุปัตนารามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาเดิมคือเคมิโยหลังจากอุปสมบท ตั้แต่ครั้งอย่างเป็นสสมํามเนอยู่ในสํานักก็อาจารย์สีถัตวัดโพต์แก้วสําเภอทอุเทนจังหวัดนครถนมได้รับคัดเลือกให้มาอยู่ในสํานักพอแม่ครูบอาจารย์ใหญ่เช่นนี้จึงเป็นการทุกอัทยาศัยของท่านเป็นอย่างยิ่งหากมีข้อวัดปฏิบัติแต่ที่ผัดข้องก็ตั้งใจใส่ถาม เพียงคงสนใจใฝ่เรียนรู้ในทุกแผนวิชาจน 4 ปีพระยาจุนทรเทพิจารักษ์ กรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์ประจำบรรทลอุบลเมื่อก่อน จึงรับสั่งด้วยความวงใหญ่ขึ้นว่านี่หรือพระที่ท่านพระอาจารย์ เพราะด้วยความน้อยใจเสียใจจนถึงกับครั้นน้ําตาเอาไว้ไม่ ได้ฟังท่านเจ้าเมืองประกาศดังนั้นองค์ท่านจึงทรงประทินและจึงถวาย 21 วัน จึงได้ลุกถึงเขตเมืองนครพนมท่านเจ้าเมืองนครพนมก็จัดขบวนออก 2 กุมภาพันธ์ 2516 ขณะดํารงสมณศักดิ์เป็น นี่คือปฏิปทาอีกอย่างหนึ่งของท่านพระอาจารย์เสาซึ่งนอกจาก สอบเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ที่กุดเม็ดโดยทําเตาหลอม 7 ถึง 9 นิ้วเป็นพระพุทธรูป ญาติทั้งสองทั้งหลายปากกันเคารพห่วงแหามากได้เก็บรักษาไว้จนถึง ฝากเขาเข้าตลอดกระทั่งถ้ําประจົນพยันตรายนานัปการตลอดกระทั่งแม้การภักเพียรปฏิบัติถึงได้ เป็นผู้บวดให้สิท palm kwpofakusch wantsi ิท、ธธธธ ร์. 24..... 2434พ ,พ ธธธธธ ร. 2465ธธธธธที่สิทรธธธธブธธธธร์ธธธภธธ ภูผากูฏเป็นภูเขาขนาดกลางลูกหนึ่งในหมู่ภูเขาแถบนี้เชิงเขามี แถวนี้เต็มไปด้วยเสือส่งเสียงดอกลอกันเพ่นพ่านทํา เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางมาถึงได้เข้ากันและ ความละเอียดตอนนี้ท่านหลวงพ่อวิริยังจริตทโรเขียนถึงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่น <reet. S 1> พระพระอาจารย์เสาเราได้พยายามอยู่คือพยายามพิจารณาถึงความแก่ความตายแต่ว่าบางคราวมันก็แจ่มแจ้ง ไม่มีบ้างมันก็เป็นธรรมดาของสมาธิแต่ว่าเมื่อจิตพิจารณาที่ไร พระปัจเจกโพธิครรมังท่านพระอาจารย์เสาแน่ทีเดียวในจิตใจเราตั้งอยู่ว่าเราขอให้รู้ธรรมเองโดยไม่ต้องให้ใครมาแนะนําหรือบอกให้มั่นจึงกราบขอโอกาสแล้วได้บอก ก็ปรารถนาทะโพธิญาณและกระผมก็ได้รับความปรารถนานั้นไปแล้วเนื่อง คือถ้าพระอาจารย์ท่านนี้ต้องมีความดีพรจริงความชัดเจนในใจอย่างถึงอริยสัจได้รู้ได้เห็นตาม ท่านจึงได้บอกกับพระพระอาจารย์มั่นว่าท่านเราเป็นเรื่องการแล้วและเราก็ได้เห็นธรรมะตามความเป็นนี้ยิ่ง ได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์เสาเหมือนกับเป็นพระใหม่คือปฏิบัติตั้งแต่การล้างบาตรจักขีวรปูที่นอนตักน้ําถวายองค์ท่านก็ยังปฏิบัติต่อโดยมิได้มีอาการ ก็ยอมรับฟังคําคุณธรรมของพระอุปถัมภ์ท่านท่านประเสริฐญาณมิจจัน 2459 ก่อนเข้าประสานในปีนี้ จึงได้กําหนดบวชชีให้อยู่ปฏิบัติณถ้ําบนภูผากูดนี้เรียกท่านในของท่านหาได้เสื่อมถอยไปตามสังขารไม่กลับมีความแก่ทํา เป็นรฏนาของท่านแม่ชี้ชันที่มีท่านพะอาจารณ Anal ท่านพะอาจารณเสandal ท่านพะอาจารณ Stretch implan for naknow-p csat หลังจากที่ท่านแม่ชีชันผู้เป็นบรรรฐา ท่านพระคือเชื้อคุณปู่จันทร์เถรีโยและได้อยู่ มีเกินถ้ำเกลือผาอยู่มากมายควรแก่การบำเพ็ญ 20 ปีก่อนนี้ท่านเคยป่าท่านพระอาจารย์มั่น ในปีนี้ท่านพระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาเยี่ยม 41 ถึง 43 พุทธศักราช 2465 ถึง 2467 พระบูรพาจารย์ ได้ตรวจมาพนมัสจัมปาษาที่ 2465 และหลังจากนั้นหลังจากนั้นในพันธการอีก 2 ปีต่อมาสันนิษฐาน และวัดป่าจารวารีบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตามลำดับคณะพระธุดงค์ราว 3 พรรษาซึ่งต่อมาที่โรง 2466 ท่านพระอาจารย์สิงห์กันทะยา ได้เป็นภาษาแรกก็ออกทุกคนติดตามไปกับคณะท่านพระอาจารย์สิงห์เดินทางไปนมัสการกราบท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านค้ออำเภอบ้านถือจังหวัดอุบลราชธานีขณะนั้นท่านพระอาจารย์เสาก็อยู่พร้อมได้กับท่านพระอาจารย์ทั้งสอง ที่อำเภอหนองวัวซอได้ติดตามพระภิกษุอาจารย์บุญ 14 วัดพงาม 2467 ท่านพระอาจารย์เสาภักจัมปสาที่วัดราชใกล้บ้านหนองโขงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายท่านพระอาจารย์มั่นภิกษุเสนานธนปาอำเภอท่า วัติพระนามก็ต่อกันมาจนถึงบัดนี้พระดิษฐานเป็นประธานในเทศรังสีท่านพระ ท่านพระอาจารย์ปั่นอาจารโญท่านพระอาจารย์อุ่นธัมมทโรท่านพระอาจารย์กูธัมมทิโนท่านพระอาจารย์กวางจุโมโนท่านเหล่านี้มีความตั้งใจแน่นอนที่จะอยู่ปฏิบัติตามโอวาทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่างก็ได้รับ 2469 ท่านพระ ออกแก่วัดพระงามอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายแล้วท่านได้จาริกไปทางเมือง ใกล้กับวัดโพชัยตามคำรัตนานิมนต์ขอพระอาจารย์เกริ่งอุทิมุตตะโกและพระอาจารย์ศรีราอิตโรพระอาจารย์เกริ่งเป็นอัฐเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ แต่เดี๋ยวฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นในๆพร้อมทั้ง ในการตอบข้อชี้แจงปัดปัญหาที่ค้างขาดใจและเกิดความศรัทธาเลื่อม เป็นพระในคณะธรรมยุตนิการ์ปวดทั้ง 20 รูปคร่าวๆในครั้งนี้ประกาศทําพระ เตโชพิเศษที่สามารถทําให้พระอาจารย์ทั้ง 2 ที่พวกเขายอมรับนับถือมาตั้งคือพี่ย่านคือพี่กลัว อาโปรเลนนกทางจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันขึ้นกลับจังหวัดยโสธรก็ได้บุก คอยติใหม่เป็นพระในคณะธรรมยุตนิการในไทย 2469 กองทัพธรรมอันยิ่งใหญ่ พระบูรพาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 องค์ทอดแลเห็นการไกลจึงได้เรียกประชุมบรรดาพระอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ทุกองค์ซึ่งกำนับตามรอยทางของทั้ง 2 องค์ทั้งใกล้และไกลให้ 2469 ท่านพระ 45 และ 35 พรรษา ได้วางระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกธุรงอยู่ป่าเกี่ยวกับการตั้งสำนักว่าการกําหนดกฎระเบียบนี้ ได้ฟังโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งสองที่บ้านโนนแดงนี้แล้ว ผู้ประธานท่านพระอาจารย์เสาสมัยที่ท่านย้อนกลับมาสร้างวัดป่า ขณะเดียวกันกับที่พระญาปัจันตะประเทศธานีบิดาของพระพินิจก็ถึง เมื่อเสร็จงานฉาบพระฤาจิตศพทั้ง 2 งานนี้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นลักษณะส่วนหนึ่งก็ได้กราบลาท่านพระอาจารย์ที่เหลือ บ้าน 3 ผงพุทธศักราช 2474 ถึง 2471 ท่านพระอาจารย์เสานําคณะปัจจุบันคืออากาศอนวยตามสายทางกองทัพธรรมที่ท่าน ของชาวสามผงชาวสามผงและชาวรุ่นมะนาวโสกามที่มี 4 พรรษาทําให้มีลูกศิษย์แถบท้องถิ่นนี้ 28 บทอรัญญิกาว่านโดย ถ้าอาจารย์ 68 ปีแล้วแล้วองค์ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงเปี่ยมเปี่ยมด้วยเมตตาไม่อุบาสิกา ติดตามท่านพระอาจารย์เสามาด้วยเป็นจํานวนมากมาถึงป่าช้าดงโคก เยี่ยมกลายในป่านี้ทะพระจารย์ใหญ่ได้พาคณะหยุดพักที่ ณท่านพระอาจารย์เสาที่ได้น้อม 2493 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด ท่านพระอาจารย์มั่นได้จากภาคอีสานขึ้นไปภาคเหนือเพื่อหรือศรีจันทโธจัดให้เป็นเจ้าอาวาสเชียงราย เป็น 10 ปีพุทธศักราช 2472 ถึง 2482 จึงได้กลับคืนทางอีสานในเวลาเช่นคณะ ทำเสือเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนท่านพระอาจารย์จึงอยู่จำปันตาที่ อยู่ที่ถ้ำบ้านธรรมซึ่งเรื่องนี้ท่านหลวงปู่เทศเทศธรรมศรีได้กล่าวไว้ในอัตโนประวัติ จะตามท่านไปแต่ท่านไม่อยู่เสียแล้วท่านเข้าไปใน ท่านอยู่ปากถ้ํานี้มีพระฤาษี 2 ถึง 3 รูปไปด้วยมีตาแก่คนหนึ่งตามไปปฏิบัติท่านตาแก่คนนี้แก่ ค่ำสองข้างเป็นเหมือนรากเกลี้ยง 2 ข้างเป็นเหมือนสิ่งตู่รถไฟมีน้ําย้อยอยู่ เดินทางสํานักวัดโพนแก้วมหายโสหรือพระปัญญาคุณทุกข์ฤทธิ์ซึ่งจนกว่าท่านคนที่บ้านสามผงอยู่เป็นผู้ 2473 ครั้งนั้นพระเจ้าเสาใช้ชีวิตปรีวิเวกอยู่ต่างแดนคือดินแดนถิ่นประเทศลาวได้ออก ปารภความเพียรยังหมู่บ้านป่าที่สงบเรียบแห่งนี้ตลอดคือ พระธาตุทนมที่อำเภอทัพพนมและพระธาตุเชิง 2473 ซึ่งต่อมา พระภนมแล้วท่านได้ไปปักกลดภคิธิที่ป่าดอนอ้อมแก้วซึ่งน้ําอยู่ทั้งหลายนิยมทองอยู่เป็นต้น พร้อมทั้งอุปถัมภ์อุปทานในขณะของท่านได้อยู่ภมรรคจำปา 50 ถึง 52 คือ 2474 ถึง 2476 นะวัดอ้อม เผยแผ่ปฏิปัตชาพระธุดงค์กรรมฐานและโปรดแก่โยมชาวเมืองนครพนมกราบทูลภาษองค์ท่านได้ แต่ให้ลูกติดเปลี่ยนที่ทางจากนามผ้าไว้รับแท้สําคัญโดยที่ ไปถึงคอนกรีตทั้งสายแล้วท่านพระอาจารย์เฝ้าได้ พรรษาที่ 53 2477 ในปีพรรษานี้ไม่มีหลักฐานใดให้บ่งบอกว่า 54 สิทธิอุปถากรุ่น 2478 ท่านพระอาจารย์เสากลับมาพักที่ป่าดงบาดหรือวัดอุ่ยจากบ้านหนองดินดำอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมี พระอุ่ยเป็นรับจดหมายว่าโยมบรรดาถึงแก่กรรมก่อนที่คณะเสด็จอุทงไปจากกรุงสุโขทัยเพียงวันเดียวคณะนั้นเป็นเวลาประชุมหมอกับท่านพระจันทร์กองวัด อำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดยโสธรได้คือพระอาจารย์บัวภาปัญญาภาโสหรือพระครูปัญญา ในหนังสือประวัติพระอาจารย์บัวภาปัญญาภาโสว่าพอภาษาแล้วมี ท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่าบ้านโนนทันกับท่านพระ อำเภอมหาชนชัยจังหวัดชลนครเพื่อฝึกอบรมกรรมฐานให้ได้ผลและแสวงหาครู จึงได้ชักชวนพระศาสทามิกเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครเพราะนั้น เป็นจิตของท่านเมื่อฝึกปฏิบัติกรรมฐานไปได้ระยะหนึ่งจิตใจของท่านรู้สึกสงบเยือกเย็นอย่างที่ไม่ มีขึ้น 2478ณพัทธสีมาวัดสิเทศปริทารามโดยมีพระครูชาระภานมุนีหรือเจ้าคุณ อยู่ปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์เสาเริ่มมาเพราะพิสุขบัวพาและครูบาอาจารย์ ได้ตบะครั้งสุดท้ายพรรษาที่ 55 พุทธศักราช 2479 วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครคือโรงบาปหรือป่า ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัสสะเถระท่านพระอาจารย์เสาเคยปรึกว่าบริเวณ ในหนังสือชีวประวัติท่านพระอาจารย์มั่นปุริสสโตฉบับวัดป่าสุทธาวาสอำเภอ มีผู้บริจาคถวายที่ 27 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวาได้ 6 กรกฎาคม 2492 ในหนังสือฉันทสารบูชาโดยคุณหญิงท่านหมายถึงหลวงปู่ ก็ได้ดู่มจากบ้านเกิดมาช้านานแต่ทราบว่า จะไม่เชิญแก้วดวงวิเศษไว้บูชาหรือจะปล่อยให้หลอดผ่านพ้นไปปี 2479 ท่านจึงได้เนื่องจากท่านในมินิสัยภรรษาอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เฒ่าณวัด อาจารย์วัดที่ท่านฝึกไปมาแต่สมัยอยู่กับ 6 7 ปีมาครั้งนี้ท่านก็ใช้อย่าง ตื่นก่อนอาจารย์เป็นนาทีการอุปถัมภ์พิเศษที่พระเนนพยายามๆคล่องก็คือการกดเอ็นท้องให้ท่านพระ ปฏมิดิ์ปกวาศิบัติเคยไม่ค่อน Raum นิ้วมือแข็งแรงพอดึงมาป่ารบกันหลวงปูได้เข้าไปขออนุญาตนวดเอ็นท่านและสลิทุกให้พยายามกำนวดภาวนาไปด้วยเมื่อจิตเป็นสมาศิกำลังมือก็จะนักหนวงแข็งแรงใจสู่ใจผู้รับนวดก็จะสบายกายผู้นวดก็จะไม่เพริงแรง พระมหาโชติอภัพโคกล่าวไว้ว่าท่านพระอาจารย์เฝ้าท่านสนับสนุนการเรียนพระ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครวัดบรมนิเวศเพื่อศึกษาการปฏิบัติ เมื่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ได้อนุญาตให้พระเนนเข้าเรียนหลักนั้นทางฝ่ายปริย พอนานไปหน่อยทางเดินจงกรมค่อยๆหมองคล้ำต่างๆก็ทําเป็นมองข้ามไปทั้ง ไปทางการเรียนรู้ 2478 กิติธมุตตโมมาจากบ้านหนองผํานครจัมปาสะแขวงจัมปาสะบิเริกเข้ามาเมือง ออกคือดวงจากเบื้องบนเพื่อเข้ากราบภัลวะท่านพระอาจารย์เสาถึงอำเภอนาแก่ได้พบท่านพระอาจารย์ จากวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครมาเป็นประธานในการฉลอง 2429 รอบหมายวัดพลแก้ววัดพลแก้วหรือ องค์ท่านมหายโสหรือพระครูไพโรจปัญญาคุณไปพบท่านที่เราได้ปฏิบัติพระศาสนาที่อบรมสั่งสอน คือมนต์แปลว่าสีป่นดำหรือสีเทามันจะเสื่อมอย่างนี้ ที่มาสนงคารวะท่านพระอาจารย์เสาองค์ท่านได้ปรึกษา ทางท่านหรือเสนชิตะไสโนวัดสีทองท่านเจ้าคุณสีธรรมวงศ์อาจารย์วัดสุพนารามก็ต่างมีความ วัดอ้อมแก้วหรือวัดกบแก้ว 3 ปี 2479 คณะศิษย์ทั้งหลายทั้งใกล้แห่งศิษย์ญาณศิษย์ทั้งมวล มาร่วมสนมกันมากมายหลายร้อยได้ 57 พรรษาอายุล่วง 77 ปีชราภาพมากแล้วเวลาเดินต้องใช้ไม้ ครั้งสุดท้ายในจังหวัดนครพนมหลังจากนี้องค์ คณะผู้ที่ๆที่แต่เช่นพระพระอาจารย์ทองรัฐไปตั้งวัด ก็เป็นบ้านเกิดส่วนตัวท่านพระอาจารย์เสาเองนั้นจะได้ไป ซึ่งย่อมแข็งง่ายๆทั้งคนดีและไม่ดี จากกะบวนทัพออกจากท่าพนมบ่ายหน้าลงไปๆมิเกรงว่าจะเป็นการ ชาวบ้านก็ได้มีโอกาสรับฟังธรรมะจากครูหลายๆองค์อย่างพูดถึงเมื่อขณะท่านพระอาจารย์เฒ่าเดินทางไปเมืองอุบลได้ ก่อใกล้จิตจับทั้งยังได้ติดตามองค์ท่านไปยังคือสมัยนั้นยังไม่มีสะพานน้ํากํา เป็นเพราะด้วยหลุมบ่อในหน้าฝนหน้าแล้ง 1 คืนจึงเลิกถึงเป ที่ขยายตามมานานหลาย 2479 ท่านพระอาจารย์เสาได้เดินทางถึง 20 วินาที แห่งธรรมะของท่านมีผู้ติดตามในการกลับมาและข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่นับ 10-10 คนโดยคณะเจ้า ได้ร่วมกันจัดสร้าง 2480 ท่านได้เริ่มสร้าง 150 รูปในชีประมาณท่าน ศรัทธาของเจ้าจอมมนดาทัพพินเหตุที่เจ้าจอมมนดาทัพพิน ท่านจอมมนฑาทภิรมให้ตระหนักใจยิ่งนักได้สอบถาม ที่วัดบรมิวาสกรุงเทพฯได้รับฉายาว่าโคโสต่อมาพระบุญนาคโคโสได้เดิน พร้อมคณะมาทําการพ้อถวาย 15 ค่ําเดือน 12 กว่า 12 กว่าสุดท้ายของ 2480 พิธีบวช คัมภีภาคหลานของท่านพระอาจารย์เสาคถาด้วยผลคุณตาบุญ มาร่วมชุมนุมกันที่วัดป่าหนองอ้อในตอนบ่ายและองค์ท่านก็เป็น นี่แลคือบุญญาพิณหานของพระบูรพาจารย์เจ้าเสนดีต้มกบกินในตอน ท่านก็นึกเศร้าใจอ่ะพอตกตอนเย็นวันนั้นองค์ท่านที่เรียก เสียเถอะนี่แหละอย่าทําต่อไปอีกนะเท่านั้นแหละถ้าไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวอะไรมากมายรุนแรงมากไปกว่านี้เลยหนังสือที่ฤทธิ์งานบุญทอดกฐินกล่าวขวัญรับกฐินจากในวังครั้งนั้นฝ่าย 2 ก็มีการเตรียมรับกฐินโดยท่านพระอาจารย์ ก็ 500 เล่มคือหนังสืออภิรัยณคคมและสมาธิวิธีมอบเออดีแล้วมอบให้อาจารย์สิงห์นำไปแจก คือธรรมวัชช์ธรรมวัชย์เย็นตามแบบเดิมของท่านพระอาจารย์เฒ่า 3 ปีซึ่งย้ายมาบ้านปากกดหวาย จะมีพระสงฆ์สัมมเณรศิษย์ญาณศิษย์ทั่วศึกษาอาทิตย์มารวมชุมนุมกัน ช่วงเวลานั้นวัดเนตรธรรมยุทธได้เกิดขึ้นอีก 2481 ท่านพระอาจารย์เสาได้จังหวัดอุบลราชธานีเรือนที่พำนัก พระภิกษุมงคลสนองศรัทธาญาติโยมชาวโรงสีไฟบ้านปากกุดหวายแต่เนื่องจากที่นั่น เข้าใจว่าเป็นอธิวาต 9 รูปมี 6 รูปกะ 2 รูปและสามเณรอีก 1 รูปวัดภูเขาแก้วพุทธศักราช 2481 กับบดีใหญ่พร้อมคณะได้สร้างศาลาถวายวัดภูเขาแก้ววัดป่าภูเขาแก้ว มาตั้ง ^{(1)} ฐานที่บ้านโพอำเภอพิบูรณ์บางตาหารเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นการโปรดญาติมา พระอาจารย์ทั้ง 2 ก็ดลลองดีทั้ง 2 พระอาจารย์ได้นําพา สร้างวัดดอนทาบเป็นวันสุด 4 5 คืนจะได้ปรารภพระฤทธิ์ฟังว่าอัน อดีตแขอำเภอภิบูรณ์บางตาหารพ่อใหญ่จานบัพ่อใหญ่ครูคําดีพ่อใหญ่พุทธาเป็น สามเณรทองทองสามเณรคำผายสามเณรบุญเป็นต้นพากันเดินติดตาม 300 ไปลงเรือที่รอรับ แล้วต่อไปยังดอนธาตุดอนตัดไหจนเที่ยงจนตะวันบ่ายรัฐลงฝนมาแรงจัดที่ จึงส่งข่าวถึงผู้ใหญ่บ้านหัวดอนบ้านสายมูลให้ชาวบ้านกราบพอถึงค่ำ โปรดศรัทธาชาวบ้านญาติโยมถ้าสายต่อไปรุ่งเช้าคณะแล้วองค์ท่านได้พิจารณาเลือกดอนธาตุเป็นที่ตั้งวัดจึง ไหลทวนน้ำประชิดฝั่งเกาะต้นถ้ายดอนธาตุแถวนั้นดินบนทรายมี ได้ยืนพิจารณาแล้วเลือกเอาบริเวณตรงนี้เป็นที่พักคณะ ที่ใต้ 7 8 กิโลเมตรรูปทรงรีทรงรีราว 140 ไร่ปกคลุมด้วยต้นยางขนาดใหญ่ต้นพ่อ ก็คันอยากให้ได้ปวนวัดเพราะคัมเณที่ตั้งกรด ขณะนี้ลูกศิษย์ก็เพิ่มจํานวนขึ้นต่างปรากฏตามเราเกิดมาเป็น งานของจิตนั้นต้องคุกคามเข้ามาอยู่ทุกขณะถ้าเกิดเผลอสติเพียงนิดเดียว มันปั้นหน้าข้ากิเลสหาเหตุผลที่ประทุขประทุษโทษหรืออดทนกลุพึ่งตนๆที่งมงาย ที่องค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาดำเนินมาทั้งสิ้นครั้นถึงเทศกาลมาฆบูชาทั้งฤาชาวบ้าน เป็นช่างปั้นก็พระอาจารย์เฝ้ากําหนดเอา พวกมิจฉาทิฏฐิที่เคยนินทาว่าร้ายครูบาอาจารย์ต่างๆนานากลุ่มแรกเป็นพวก เอาข้าวให้หมากินยังจะได้บุญมากกว่าด้วยเออก็ เขามีฝ่าจะให้เขาว่าไปเขาว่าเฮามีเมียเป็นแม่ขาวเขาบ่มีมันก็บอกเป็นอย่างดอกที่อยู่ ได้ที่องค์ท่านพระอาจารย์เสาไปโปรดชาวบ้านนั่งหินแดดอยู่ข้างอีหมอนโต ไปเฝ้าไปเบิ่งเด้อคือใครอยากเห็นให้รีบไปดูไป 3 รูป แต่วัดดอนท่าผู้ยัดยางการขอทาน พระอาจารย์เสาได้เชื้อเชิญขึ้นบวรศาลาทันทีพอขึ้นไปเออกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งอาศัยของพวกเราทั้งหลายแล้วองค์ท่านก็ ท่านพระอาจารย์ดีชโนเป็นผู้เทศน์ต่อพระอุปัชฌาย์ 3 ชั่วโมงจนท่านเทศน์จบจึงได้กราบลงพอ ได้เดินทางจากไปวัดบุรพาลามแล้วกลับประจําปัสสา เช่นโอกาส 900 ใต้สีว่าที่เกิดฝนแล้งก็ขอท่าน มาตามที่พวกเขาฆ่าคิดใหม่ๆทําให้บางคนเกิดความสํานึกเสีย หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏว่าพระอุปัชฌาย์พรหมมาเกิดนอนหลับตายชาวบ้านเห็นผิดสังเกตให้ทาง จากมรณภาพนั้นท่านพระอาจารย์เสาได้บ่นถึงอุบาสาคฤมาว่า พุทธเจ้าแก้วได้เดินทางกลับมาที่กรอนธาตุเพื่อประกบโอ้ยพระนอนจะเฮ็ดอี จึงได้ทําการบอกปูนปั้นเสริมต่อเติมขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ดั่ง โดยท่านพระอาจารย์เสาน่าเป็นประธานนําคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคถา <เอ อ, S 1> องค์ท่านได้พูดคือให้ชื่อว่าอย่างไรหรือในที่ประชุมนั้นต่างพูด แต่ 2 สาธุการในชื่อที่พระอาจารย์เป็นผู้ตั้งให้ครูบาอาจารย์ โรคนี้จึงไปจับเอาปลิงควายคือปลิงตัวใหญ่ 80 ปีพุทธศักราช 2453 ท่านปีจะไป มีพระอาจารย์สิงห์เป็นประธานร่วมกันจัด 19 ธันวาคม 2433 กำหนดงาน 3 วันพระภิกษุ 80 รูปคณะ ได้ 80 ชุดสําหรับท่านพระกาลใหญ่ได้ทอดถวายเป็นผ้าบังสกุลพณพารุกษิดได้ ตะทารุคิที่มีเทศนาโหหันจริงๆทั้งหลายได้ตัดเปลี่ยน ได้ลงประทับลองนอนแต่ขนาดด้วยสงครามอินโดจีนตรงกับช่วงเวลาที่มีการ ตอนเช้าขณะพระสงฆ์กำลังฉันทันนั้นมีผู้มาเร็วๆนี้ผู้คนทั้งหลายเกิดตื่น คอยเตตราดูแลรักษาบ้านเรือนทรัพย์สินที่ถูกจริงไว้ส่วนองค์ท่านๆถามว่า แต่เกลียนอีกลูกไปตกนอกเมืองเพิ่งใครเป็นอันตรายกรรมเก่าท่าน ดวงผึ้งข้างรังก็หล่นลงมาพึ่งฝูงใหญ่บีจูโจมมารุมตาย ที่ทําให้องค์ทันมักเจ็บไข้ได้พุทธศักราช 2480 ปีสารกิจสุดท้ายท่านพระมี 2000 กว่าสุดท้ายและองค์คือท่านพระกุฑา พระครูสีทนดรคณาจารย์เจ้าคณะใหญ่แห่งสีทนดรเขตเมืองโขงแขวงนคร ล่องเรือจากวัดประตำลำน้ำมูลจนถึงบ้านด่านปากมูลและล่องเรือไปตาม เป็นผู้เป็นขันธ์หากไหลนี้มีความชํานาญทางน้ําแถบนี้ มีพระอาจารย์ดีพระอาจารย์บุพพาและพระอาจารย์ก๋วยแก้ว 10 บาทรวมเป็น 40 บาทในสมัยนั้น 5 ถึง พระประชายทำบุญอุทิศถวายแด่พระอุปัชฌายาอาจารย์เจ้าพระ จึงอาศัยจะเอารถยนต์ 2484 จากวัดบูรพาภารามโดยมี ทองอโตกโกลงที่นั่นและประชาว่าท่านทองอยู่จุดนี้ให้เป็นด่านหน้าคอยส่งข่าวฟังข่าวต่างๆเมื่อไปอยู่ อมาตยรามณกรจัมปาสกคณะที่ 2 ทัพพระจารย์ของรัฐเดินทุกกลุ่มหน้าไปรอองค์ท่านอยู่ที่นครจัมปาสกคณะที่ 3 คณะทัพพระจารย์เนียมทัพพระจารย์ ขณะท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาลงเรือไปเมืองโขงด้วย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่สร้างในสมัยที่ท่านเทวะธัมมีเมา 5 ต่อมาพระยามหาอมาตย์อธิบดีปรุณแก้วเจ้ายุติธรรมนาถร ได้เปิดเป็นสำนักเรียนมีชื่อว่าโรงเรียนบุรพาสยามเขตในยุค ลังกามงดูกระบึงดินเผา 2431 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 5 คณะของพระประชาชนทอง ดอนอีทาษซึ่งอยู่อีกไกลให้คอยสดับรับฟังข่าวคราวของอําเภอวรรณวัยทยากร ถึงใกล้ถึงเมืองคงแล้ววันต่อมาได้รุ่งเรือเล็กเรือ เรียก 4 พันดอนมาจากคําว่า 4 พันดอนดอนแปลว่ากองเนื่องจากแม่น้ํา ในวันที่จะทําบุญอุทิศถวายแด่พระ 40 รูปรับถวายปัจจัยรูปละ 1 บาทครบ 40 บาทส่วนญาติโยมชาวเมือง ศรัทธายะโยมเป็นอย่างดีแม้จะต้องเดินลัดตัดทุ่งต่อจากนั้นท่านพระอาจารย์เถาวันพากันเดินทางต่อไปต่าง ตงตัม 100 กิโลเมตรโดยมีโขดเขาสองขากั้นนํา จะได้รับนามว่าเป็นแหล่งกาลราชแห่งเอเชียคือใหญ่ยิ่งกว่าน้ําตกเอยกรีตีเริ่มอาพาธเหตุการณ์ และกำหนดจะทำภิที่มาข้าบอูชาบุญเพล่ณเดือนสามที่บ้านโนดีท่านพาจารย์เซอร์ herum POW tul gorgeous มาก่อนหน้านั้น เมื้อโดนผลขณะที่ภาร์액 อยู่บ้านหัวดอรีมอีกอีก พระอาจารย์โบภาได้สังเกตเห็นอาการอันน่าวิตกของท่านจึงรีบกราบเรียนท่านพระอาจารย์ดีกราบทันทีว่า พระครูบาอาจารย์กลับไปถึงวัดอมมาก่อนท่านพระอาจารย์ คณะจึงได้เดินทางมาเมืองมณฑาโมภักติวัตร แจกแบ่งปันให้ครูบาอาจารย์ประเนิดเสร็จที่เหลือ ท่านส่วนขนมจีนนั้นเพียงน้อยนิดส่วนขนมจีนนั้นท่านฉันเอาฉันเอาอยู่เห็นท่านหัวเราะฮึๆๆแล้วเอ่ยขึ้นอย่างอดคําไม่ได้ว่าเหมือนผู้หน้าท่านบัวพาท่านฉันขะปุ้นจนกิน ต่างก็หัวเราะขึ้นพร้อมๆกันทําให้บรรยากาศสดใสคลาย ได้ลงทรงน้ําในแม่น้ําโขงเพื่อ สิเอาหยังเพิ่นเลือกเอาจ๋าตี้ค่อยบ่เอาอีหยังอีกแล้วพอองค์ท่านพูดจบลงท่านพระอาจารย์บัวภาก็ได้ ไม่อยู่ในโลกกะทาอันวุ่นวายสับสนนี้ต่อไปอีกเป็นจุดสุดยอดของคําสอนทั้งหลายทั้งนานาท่าน อันเฉยไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นในที่ เพื่อฉลองศรัทธาเจตนาแต่โดยดีออกเข้าต้มชรนั้น ในเวลาหลายวันถ้าจะเดินทางได้เร็วก็ต้อง เอาเรือจอกเดินทางไปนครจัมปาตกซึ่งหนาเร่งด่วนวันนั้นคณะผู้ติดตามญาติ พระสอจุมังคโลสัมเมนสุวรรณนายกอนเด็กชายมนตรีขึ้นเรือคนไปท่ามกลางแสนแดด เหนือทุกขเวทนาองค์ท่านนอนหลับตานิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความระวนกระวายกระสับกระส่ายคิดตกกังวลแทบจะไม่เกิดขึ้นกับองค์ท่านแต่มันเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ลูกหาขณะผู้ติดตามด้วยความเคารพรักศรัทธาเริ่มใส애ตัวท่านนั้นหรือ เมื่อทักทายญาติโยมอรถไนเทศท่านจะพูดน้อยคือความเป็นทุกข์ความเป็นของไม่เคลื่อน จะทําได้จริงทุกอย่างทุกกุศลธรรมแม้น้อยนิด คถาอาจารย์เจชินโดเตรียมการต้อนรับที่สุวรรณอมัตยารามครั้นถึงเวลา คนเรือคนไปได้ปลดเชือกที่ผูกยงเรือพุ่งออกและฝ่ายให้ ตาก็รีบค่อยๆวางลงตรงพื้นหน้าพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วพระจันทร์บัวว่าครูบาอาจารย์ถึงแล้วหือวัด พอตลอดเวลาการเดินทางกันยาวนานทั้งวันนั้นองค์ท่านอาพาธอย่างหนักหนาจนไม่แน่ว่าจะมาถึงได้หรือไม่พอมาถึงวัด โดยมือข้างหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างขาทั้งสองอีกมือหนึ่งเฉยไปด้านหน้าสายตาท่านมองดูพระประธานซึ่งอยู่เบื้องหน้า จะต้องแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการน้อมกายก้มหน้าคร 3 ครั้งองค์ท่านก็แน่นี้อยู่อย่างนั้นไม่ไหวตึง พระอาจารย์ของแก้วพระบุญเพ็งและพระอาจารย์บัวภาได้เข้าไปพยุงร่าง พอแล้วไม่ต้องเอาท่านนอนแล้วไม่ต้องเอาท่านนอนท่านคงความต้องการจะไปได้แค่นี้ทุกคนจึงได้หยุดจะนั่งล้อมรอบตัวท่านเปิดช่องอากาศให้ท่านถ่ายเทได้สะดวกได้มีพระอาจารย์คงแก้วคอยนั่งระวังหลังกลัวองค์ท่านจะล้มองค์ท่าน เป็นผ้าคุมเปียกโชกพระอาจารย์ดีพระอาจารย์บุญเพ็งเช่นนั้นจึงรีบเอา การก็เพิ่มความสนใจสังเกตที่จมูกเมื่อรู้แก้วพระ ส. ซึ่งยัง ต้องปล่อยโฮออกมาอย่างแรง 2 คน 3 ค่ําเดือน 3 ปี 2485 สิริ 82 ปี 62 พันศาพรรษาข่าว บริเวณวัดสมัคคยารามแห่งนครจัมปาศักดิ์คับข้างขะนุฑุขราชการข้อขามประชาชน ระหว่างทางที่เรือจะต้องเล่นส่วนทาง ของท่านพระอาจารย์ใหญ่เสาก้างความอะไรอาวรณ์แก่ทุกองค์พากันเร่งรีบกราบไปถึงนครมรณกรรมข่าวกรรมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสา กตปูชาคุณของท่านพระอาจารย์เสาพระอาจารย์กองแก้วได้โทรเลขมายังเมืองอุบลราชธานีแจ้งข่าวและท่านพระอาจารย์สิงห์ขันทะยักขโมและญาติโยมกราบแต่ท่านพระอาจารย์ นำหีบตกกลั่นผลเข้าเขตอำเภอภิบูรณ์มังตาหารตรงช่องเมกมุ่งหน้าเป็น เมื่อไม่มีทางแก้ไขถ้าท่านอาจารย์สิงห์ที่ได้พูดขึ้นว่าหรือพวกเราขัดความประสงค์ของท่านพระอาจารย์เทวดาทั้งหลายจะได้ขัดขวางไปขึ้นสู่ท่านกลับประเทศ ได้กราบประกาศให้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายได้สาบทั่วกันว่าฉะนั้นข้าพเจ้าพระ ตลอดอากาศเทวดาลุคเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาทั้งหลายได้เปิดตาออก อยุธยานครจปาตักคือวัดสมัตตยารามซึ่งเป็นที่ตั้งตบท่านพระญาติเผาต่อไปกลับสบกลับเมืองอุบลท่านเป็นเวลาพอสมควรแล้วและเห็นหรือ บุรพาคเนยังร้อยระอูอยู่จึงได้มอบจรจานให้ไปกลับเมืองอุบลเป็นนั้น เกิดบําเพ็ญกุศลที่สารามกาลเปรียนทัพพจารย์มั่นปุริทธโตได้เก 10 ถึง 16 เมษายน พุทธศักราช 2486 ซึ่งนับเป็นเวลาได้อีก 14 เดือนต่อมาวรรฉาพนกิจจบทัพอาจารย์ดี แสนด้วยต้นไม้ใบย่าได้สมจริงส่วน 3 วันและ 1 วันหลัง สรรเพรทําการขอกกระดูกและเนรุสิทธิ์ทั้งหลายช่วยกัน ส่วนเท่าอังคารบัพให้วัดบุรพารามเก็บรักษาภายหลังต่อมาปรากฏว่าอิทธิขององค์ท่านส่วนมาก เคยจารบันทายุติวรรณธาตุในช่วงปัจฉิมวัยคือ 2 พรรษาสุดท้ายและที่องค์ท่านสร้างขึ้นเพื่อรื้อถึงองค์ท่านจึงน่าจะสร้างเสาดีทับ โดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเม้นท์จำกัดได้ปรึกษากันเรื่องการสร้าง 25 มีนาคม 2544 การศึกษาฝ่ายผลิตได้บริจาคเงิน 2 ล้านบาทเป็นการเริ่มต้นให้งานก่อสร้างดําเนินไปได้งานก่อสร้าง ค่า 16 ล้านบาทวันที่ 22 ถึง 25 มีนาคม 2546 ได้มีการสรพโชว์เจดีย์พิพิตรพันธ์ท่านอำเภอภิบนบางตาหารจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่ พลเอกประภาสตีกำทนจินทวานนท์องค์พระ 23 มีนาคมพุทธศักราช 2546 เวลา 14:30 น. เว 14 น. น. อธิทาตของท่านพระ ภิกษุศาสดาชุชนรุ่นหลังได้รับทราบและมั่นใจว่า ไป